ท่านสาธารณบริษัททั้งหลายสําหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับและบางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังทำกันก่อนถึงแม้วิธีแนะนําแนวการปฏิบัติ แต่ถ้าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะตั้งถือว่าขณะใดที่จิตฟังธรรมอยู่ <c oughs> จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับเพื่อจิตทรงชาในธรรมนั้นจงกว่าจะตื่นเป็นการได้กำไรมากการแนะนำบรรดาท่านพุ้บริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอน ถ้าเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบเพื่อเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมิทธิยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนาะ <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์ ส, สังเดชปะสมาทุกเจ้าทรงแนะนําเป็นการยืนยันคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนําว่า คนเกิดตาต่อคนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปนรตแปลศรัทธายเป็นสัตว์ดิบฉันบ้างตามกํากลังของความชั่วถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปนิพพาน ฉะนั้นในฐานะที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิคตมาณตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่วคือความชั่วในอุทุมบริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นปกิเลสอันนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน อย่าเข้าไปคบเก่าปกิเลธ ท, ทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดแล้วก็ถ้าเวาา ส, ส่งใสยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทปอธิบายอุทุมบริกาโสดมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง <c oughs> อุปะก็แปเข้าไปใกล้มั่นกิเลสโดยความชั่วและความเศรมองไม่ว่าจิตเลวอย่าเข้าไป ถ้าจิตเลว็วเพียอย่างเดียวกายก็เร็ววาจาก็เร็วคําแนะนําคําสั่งสอนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ถ้าความดีขั้นสเก็ตไม่ถึงอย่างดีเรื่องอื่นเราก็ดีไม่ได้ อย่าทนองตนว่าดีตายแล้วต้องไปอบยอยัยผูมีแน่แล้วก็บริการนีสองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่คือความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศีลไม่ยินดีเมื่อคนอื่นทําลายศีลแล้ว แล้วก็พยายามระงับจีวรห้าประการที่วรห้าปาระการก็ได้แก่นหนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือการมารมขนาดนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้ไปสุขเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นหยุดไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทําสบายใจสบายเป็นตัวของตัวเองสองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความเกิดความไม่ชอบใจบคุคคลใดเลิกไปเสีย <c oughs> ถ้าเรายังไม่เป็นพระนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกสียโชคราก่อนจะหลับทำจิตให้เป็นสุขสามความมึนงงซึ ม, มนในอารมณ์ของร่างกายลักทำกำลังใจให้ปิดโปรง่งตัดอารมณ์นั่นไปแต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปไมันงงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องถึงเอาไว้จะเป็นการรมาน ใจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจึงกว่าจะตื่นเป็นกําไรมากข้อดีสี่ 4, ความฟุ้งซ่านเกินไปเสียฟูฟังธรรมแตใจคิดอย่างอื่นเน่ารูเนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาแต่พระเจาิยานยับยั้งว่าเราจะตั้งใจงทรงธรรม ข้อที่ห้าความสงสัยในคําสอนในผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองสมเด็จพระบัณิตแก้วทรงจักว่าจิตทรงพรมีหางสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิตรทีดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเราจะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เป็นศัตรูกับใคร ข้อดีสองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนแลสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อดีสามเราจะไม่ฉาดิสยาใครพรยินดีเมตุผอืน่นคนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติดีตามเขาข้อดีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่องพร้ำจะไม่ซ้ำเติมิีคิดเมตตาปราณีไว้เสมอ ถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินทรสีตรงตัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี้เป็นเ ป, นเปลือกที่ทรงชานโลกีบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ตำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอดถือ <c oughs> ว่าพ อ, อาตัวรอดนั น, นหมายความว่าตกนรกยากหน่อย ที่บไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเพอยังตกนั่นแหละความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพีนั่นก็คือว่าพระพุทธสัมม า, าสัจเจ้าทรงตรันว่าทำปกเพยมีวาสาริปิยาณให้เกิดขึ้นคือการลรึกชาติการระลึกชาตินี่ฮะว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สามครูเขาก็สอนมาแล้วเขาจะส่งกําลังใจไว้ทําให้มันคล่องอย่าประมาทในในในชีวิต เราคิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดลัง้งแล้วกาความดีถึงกันสมเด็จพระสัมาส ม, มาทูตเจ้ากล่าวถึงทิพยาณอย่างเข้มที่เรียกว่าจุตูปปาติยานคือได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนได้ยินชื่อคนตายแล้วสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกัน ครูก็สอบนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วคอยส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขนั่นนอกจากนั่นยานแปดประการคือหนึ่งที่ปรคุณ ย, ยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้วเป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสัองสอน ง, งองคสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า มีบางท่านบอกว่าเทว ด, ดาไม่มีพรมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว่ามีเราเป็นสาวกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสําหรับท่านพูดนั้นที่พูดท่านอย่าไปอะไรไปเรื่องของท่านอย่ า, า, า, าไป ส, ส, ส, สนใจแล้วก็สําหรับข้อที่สองตัวตัวปปาติยาน ยานนี้รู้การเกิดเกิดกการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้สุดชื่อสุดสัตว์สัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านวันนี้ก่อนเกิดมาจากไหนรู้ชื่อคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุพเพนิวาสานุสติยานทะลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเอง ว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเสื้อกายบ้างเป็นสัรฤทธบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ปนิพพานไม่ได้ทําใจลดมรณะทิฏฐิได้เยอะตากิเลสได้มากปีตังสยามเหตุการนาดีตันายข้าตังสยามเหตุการนายนาคต ป, ป, ญญปัจจุบันนอญญาณแห่การปัจจุบันเพื่อถามกมุตายานรู้กฎของกรรมว่าอะไรทําให้เรามีความสุขทำํำไมเรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระอรหัโลกเทเสสอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจถึงแม้เรายังจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพุทโไม่ไ ด, ไไได้ยังอยู่เป็นคนอรารมณ์จิตก็เป็นสุข เพราด้ท่านพุทธบริษัททำให้ค้่องตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกลรกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ขนาดดีก็เลยอยังไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ำจะท่วมมากปีไหนจะแลงมากเกินไปปีไหนแผ่นรานจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันแลหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตท่งตัว แ ล, แล้วเราก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้บุญวาสนาบารมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวนาได้ไหมไปเป็นพรมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราทราบการปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมและญาติโยมพู้ตบริษัทธ์ธรรดาเพื่อนพิสุสมานเนร แต่ น, นี้เป็นฌานโลกี้ยังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าท่านอย่าเราจะท่านอย่าเจะเป็นพระอริยะเราไม่เป็นทำไมสําคัญเดินตามท่านไปเรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีข่าวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเราถ้าทําไปแล้วจนจะหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย <c oughs> คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพลิตภัณฑ์เพียงใดเรายังไม่ดีต้องทาแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทางของพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบา ร, รมีสิบบา ร, รมีสิบโดยการต้องประจำใจไว้เสมอด้วยก่1นนทานบา ร, รมีคิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติเของมาคนอื่น ถ้คิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาสินศึกษาสินที่เราปฏิบัติตามฐานะถ้าสินมีกิจข้าบทระมัดรวังศินใน่บกคร่องการละจิตเข้าไประมัดรวังศินใน่บกคร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานตลอดเวลา สาสามเน่คัมมะบรมีการทิ้มบทพยายามระ ง, งั บ, บอิวานห้าราย ก, การย้ายครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังโยชศทั้งสิบระการให้หมดไปจากการบังใ จ, าจาตามที่จะทําได้ค่อยๆทําและปัญญาบรมีก็พิจารณาคําส่าวซอยงองคสมเด็จปิยสีหาทางตัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปวิญญะบรมีมีความเก่าแก่เก่าก็คล่องแค่ว มีความแก้วกลาดต่อสู้ตัวศักริ์ไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันโค่นเข้ามาทําลายอยู่เสมอต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งภายแแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและขันติวามีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทน ใช่ไม่อดทนไม่ใช่ก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ยันเอาแคข้าความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสัจจะบารมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องส่งความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอริฐานบารมีสร้างกําลังใจว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตมัยกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอใจ เมตตาบารมีทำจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้าเมตคาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานยกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดินดน้นรนไม่แสดากาย ก, า ก, กับทสทกสถานใจจะมีกำลังความดี บารมีสิบระการนิบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ค่อยๆรักษาอย่าที่ว่าทาวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดาแต่คือว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบทนนิประการอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ทางที่ดีตื่นขึ้นเช้าทรงอารมณ์นี้ ป, นปกติสิบชั่ปกีกวรากันและหลังจากนั้นก็ไปดูจดียาของพระอริยเจ้าคือเจริยาของปโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้วว่าความจริงปโสดาบันมีอะไรไม่มากนะักแต่ต้องสรงอารมณ์ไว้เพื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย สองไม่สงสัยในความดีของสมเร็จปัสมาวะทุกขเจ้าของบัณธรรมและของพระอริยสงศ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแขรงใจ <c oughs> สามส่งสินห้ากับกรรมบทสิไให้ครบถ้วนเฉพาะสินห้าเนี่ยไม่พอต้องกรรมบทสิด้วยจิตที่มีความสุขคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรม ถสีไม่ดื่มธูราไม่ไรห้าไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริงหกไม่พูดคำหยาพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวานเจ็ไม่พูดสอเดเสียดเ้ื่อแตกร้่ากันและไม่นินทาชาวบ้านพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชนยช์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้น <c oughs> กลากำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นช่อว่ามนุษย์สิโลกเทวโลกอะพุมโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกจริงเราเราเราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่เทินหลังสักวันหนึ่งขณะมันต้องถึงนิพพานแน่ คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจำใจพื้นที่ชอบใจพื้นที่รักขโมคุทั้หลายมีความสุขแล้วก็าการต่อไปก็น่าจะมีข้อทีสิทเราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผายใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระนาคา ม, มีมันก็ต้องมีอยู่บ้าง มันมีก็พยายามระ ง, งับมาจิตใจมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นท่านนาคามีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโต้ตอบบ้างเป็นของธรรมดาแต่การโตตอบให้ใช้เหตุใช่ผลเป็นสําคัญยายแช่อารมณ์โทสะเขาโตตอบจะดีมากแล้วก็ใช่ออดการอดกล่นการนิ่งไว้หมาก เผลยิ้มไว้เสมอไม่ช้ารมใจจะเป็นสุขยินีความเยือกเย็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเบาลงไปแต่การสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูกการทําความเห็นให้ถูกก็หมายว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนรกมีเราก็มีเปรตสุรกายมีแล้วก็ว่ามีเทวดาหรือพรมมีแล้วก็มีนิพพานมีแล้วก็วมี เราว่ามีอย่างไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิธิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพิหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสางสอนเพราะนั้นว่าถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็ถึงแก่นแล้วก็ต่อไปสาหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรด า, ท, าท่านพุทธบริษัทท่านีได้มโนยิธิแล้วจะไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติ เช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อันที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พรนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุขวันนี้พูดถึงระโสนาบันแล้วยอดอินิตปัโสนามันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีวิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสองสามมีศิลบริสินห้ามบริสุทธิ์ แล้วเราสี่จิตมุ่งเฉพาะมนิพานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นเลยไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นยัาหลงไว่เราเป็นต่อมารมของพระนาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันพระนาคาเมีก็ดีเอ้าขอโทษ <c oughs> แต่รมของพระทาคาเมีไม่คอมันแห้งเ <c oughs> ส้นหมามันกัดคอ ถ้าสุกิทาคามีก็มีอารมณ์ท่าประสนาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัยในคุณพรระัตนาไตรมีศีงบริสุทธิ์มีจิตต้องการพนิพานแต่มีจิตบรรเทาความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาความโลภหมายความว่าฌานนจาคานุติกรรมฐานคิดแย่ทานอารมณ์สูงขึ้น ถ้าไม่ดิ้นหลนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความขั้นยันมันเพียงแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีมันเท่าความโกรธก็หมายความพว่า น, นาคามีมีความเข้มข้นในพมิหารสีโกรธชาหายเร็วให้อภัยเร็วมันใช้พมิหารสีเป็นเครื่องค้าจุนคมใจไว้เสมอมันเท่าความหลงเห็นว่าความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ มืัอหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองได้การโยบานดาท่านพุทบริษัททุกท่างการบรรเทาความโลภให้ใช้จารคานุสติกรมฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอถ้าให้พอกำลังยิ่งให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรทีดีของคนสัตว์ได้เหตุผล คนที่ทําให้เราโกรธเป็นท่าของกิเลสเราไม่ถี่เรียว่าไม่ถี่คนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทําไปกําลังใจของเราไม่ถึงด้านนาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่แต่เมื่โกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะไปสุขอรรัตน์ดาท่านพระทไวสัทย์รบกวนเวลามาก็มากแล้ว ก็ข อ, อุติเลยเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแดบบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี